เรื่องกรรมที่สงจตุวคพึงทำสามร้อยิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงจตุวคพึงทำสงมีภิกษุณีเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำพิสูจน์ทั้งหลายถ้ากรรมที่สงจตุวคพึงทำสงมีสิกขมานาเป็นที่สี่ ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีสามเณรเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีสามเณรีเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ มีภิกษุผู้ต้องอันติมะวัตถุเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตเป็นที่สี่ทำกรรม ไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีบันดอกเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีคนลักเพศเป็นที่สี่ทำกรรม ไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีสัตว์เดียรชฉานเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีผู้ฆ่ามารดาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ มีคนผู้ฆ่ามิดาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีคนผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ มีภิกษุผู้ทำลายสงเป็นที่สี่ทำกรร deadline, ไมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้ทำ้ายพระศาสดาจนถึงพ่อพระโลหิตเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีอุพโตพยัญชนะกเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ มีภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็น i̇şte ที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้อยู่เป็นนานาสังวาสเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ มีภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤิษเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำสงทำกรรมแก่ภิกษุใดมีภิกษุนั้นเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำเรื่องกรรมที่สงจตุวักพึงทำจบ